ข้อความในตัววัตกาศสุตรณนิเทศที่14ต่อในหน้า329นะข้อ750พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ว่าภิกษุไม่พึงทำความหลับให้มากพึงมีความเพียรซ่องเสพความเป็นผู้ตื่นพึงละเว้นความเกียรติคร้านความลวงความหัวเราะการเล่น เมตุนธรรมอันเป็นไปกับด้วยการประดับ <c oughs> คำว่าภิกษุไม่พึงทำความหลับให้มากความว่าภิกษุพึงแบ่งกลางคืนและกลางวันให้เป็นหกส่วนแล้วก็ตื่นห้าส่วนนอนหลับหนึ่งส่วนันภิกษุเ ช, ชื่อว่าไม่พึงทำความหลับให้มากก็วันหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงเลยนยะี่สี่ชั่วโมงก็หารหกหกสี่ก็ยี่สบสี่ใช่ไห มันก็หลับแค่สี่ชั่วโมงต่อวันหนึ่งยี่ิบชั่วโมงไดตื่นเก่งมากเลยนะ <c oughs> คำว่าพึงมีความเพียรส่องเสพความเป็นผู้ตื่นความว่าคำว่าตื่นนี่ไม่ใช่ว่างัวงเงียงัวงเงียซึมเซาทั้งวันนะไม่ใช่แต่หมายถึงพิกูุนในธรรมวินัยนี้พึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเครื่องกลางกาั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน ชันะ้มระจิตไม่ให้มีนิวรณ์กลางกั้นเลยนะไม่มีนิวรณ์กลุ่มรมเลยด้วยการเดินการนั่งทั้งวันเพึงชั้ระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเครื่องกลางกั้นคือนิวรณ์ด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มน่ยนะพึงสําเร็จศีหาสายาโดยข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำสัญญาในใจเอาไว้ในการตื่น ตลอดมัดชิมยามแห่งราตรีแล้วก็กลับตื่นขึ้นเพราะฉะนั้นก็หลับใช้เวลาหลับสี่ชั่วโมงก็คือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสนถึงเวลาตีสอก็ตื่นขึ้นเพ่งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นคืนนิวรด้วยการเดินและการจงกรมตลอดตัดชิมยามแห่งราตรีน่นและแล้วก็เป็นไปอย่างี้ทุกวันนี่นะทุกวันทุกาตลอดข้างขึ้นข้างแรง ตลอดปีเนี่ยนะตลอดวัยตลอดปฐมวัยมัชิมะวัยและปัจฉิมะวัยอันผู้ที่เจริญอย่างนี้เนี่ยนะบางรูปเนี่ยท่านเรียนประยะิยัติธรรมด้วยเจริญอย่างนี้ด้วยแต่ว่าการเรียนสมัยนั้นเนี่ยครัวอาจารย์ที่มีความสามารถท่านก็แนะนำไปเรียนไปเจริญกรรมฐานไปคำว่าซ่องเสพความเป็นผู้ตื่นคือเพึงซ่องเสพซ่องเสพพร้อมซ่องเสพเฉพาะซึ่งความเป็นผู้ตื่น อย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะคำว่ามีความเพียรเพียรก็คือวิริยะท่านเรียกว่าความเพียรได้แก่การประกอบความเพียรความก้าวออกความก้าวหน้าความย่างขึ้นไปนั่นนะพวกเรียกรัฐรรมนูธรรมนิกรรมนูญธระมรรมธาตมนูญรมนูญธนรรมรรมนูธนูญธรรมนรนรมนรร่นรมนูมนูญมนูรรมนูรรมนมนูญธรรมนรมนูมนูญธรรมนูรมนูญธามนูามนูญมนูญธรรมนรนมนมน ความไม่ปลงฉันทะความไม่ทอดทุระความประคองทุระเอาไว้วิริยะวิริยินทรีวิรยิรยะพละสัมมาวายามะนั่แหละอันเป็นไปทางจิตพิสุเป็นผู้เข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้าไปถึงพร้อมประกอบแล้วด้วยความเพียร น, นี้พิสุนี้เรียกว่ามีความเพียรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า เพึงมีความเพียรซ่องเสพความเป็นผู้ตื่นเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนที่ภาคเพียรจริงๆตื่นตลอดเวลาเนี่ยนะตื่นคือไม่มีนิวรกลุ่มรุมเลยนะคำว่าความเกียร์คร้านเกียร์คร้านก็คือเรียกว่าพึงละเว้นความเกียรคร้านเนี่ยนะก็ละความเกียร์คร้านกิริยาที่เกียร์คร้านความเป็นผู้เกียร์คร้านความเป็นผู้มีใจเกียร์คร้านความขี้เกียร์กิริยาที่ขี้เกียร์ ความเป็นคนขี้เกียดนี้เรียกว่าความเกียรตคราญเกียรติคราญก็คือตรงกันข้ามนะปล่อยจิตให้ไหลไปกับบาปกับอาคุสนนี่วรนกลุ่มรุมนั่นเองคําว่าความลวงเนี่ยนะเพื่อละเว้นความลวงนะความลวงก็คือความประพฤติหลอกลวงเรียกว่าความลวงความลวงเขาคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็ตั้งความปรารถนาอันลามก เพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้นก็ย่อมปรารถนาว่าใครๆอย่ารู้จากเราว่าเราประพฤติชั่วนนก็ตั้งใจเอาไว้ตั้งความปรารถนานะไปทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องการให้ใครรู้สักอย่างดําริว่าใครๆอย่ารู้จากเราคิดว่าใครๆอย่ารู้จากเรานนกล่าววาจาว่าตนไม่มีความประพฤติชั่วคิดว่าใครๆอย่ารู้จากเรา เพื่อนนั้นก็พยายามปกปิดกลบเกลื่อนเรียกว่าซ่อนเร้นหน้าดูนะต้องการปกปิดที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ให้ใครรู้จักความชั่วของตนอันนี้เรียกว่าความชั่วแบบนี้ละซะควรละความลวงความเป็นผู้ลวงกิริยาที่ปกเป็นเครื่องปกปิดกิริยาที่ซ่อนความจริงกิริยาที่บังความผิดกิริยาที่ปกปิดความผิดกิริยาที่เลี่ยงความผิด กิริยาที่หลบความผิดกิริยาที่ซ่อนความชั่วกิริยาที่พรางความชั่วกิริยาที่บังความชั่วกิริยาที่ปกปิดความชั่วทำความทำให้รับเนี่ยนะเป็นกิริยาทีาทำให้มันรับเขาไว้ความไม่เปิดเผยกิริยาที่คลุมความผิดกิริยาที่ชั่วนี่เรียกว่าความลวงหลอกลวงอะนะจริงๆตัวเองมีความเลวแต่เขาพยายามปกปิดพยายามซ่อนเร้นไอ้ความเลวอันนั้น่ะ ดีไปดีบางคนก็ถึงก็โอ้อวดด้วยนะโอ้อวดจริงๆแล้วไม่มีคุณธรรมอ่ะนะก็ไปโอ้อวดให้คนอื่นเขารู้ว่ามีคุณธรรมบางคนก็ทั้งหลอกลวงทั้งโอ้อวดด้วยซ้ำไปคำว่าความหัวเราะเนี่ยนะก็พึงละเว้นความหัวเราะก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้หัวเราะเกินประมาณจนฟันปรากฏสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายความหัวเราะ เกินประมาณจนฟันปรากฏนี้เป็นกิริยาของเด็กในอริยวินัยเนี่ยนะในอารยวินัยนี้ถือว่าการร้องรําเนี่ยเป็นอะไรการร้องรําก็คือการร้องไห้ในอารยวินัยเนี่ยนะมันการหัวเราะก็คือการเป็นเด็กในอริยวินัยนี้เชื่อว่าการเล่นการเล่นมีสองอย่างก็คือการเล่นทางกายการเล่นทางวาจาเนีย่ยนะ การเล่นทางกายเป็นไนชนทั้งหลายย่อมเล่นช้างบ้างเล่นม้าบ้างเล่นรถเล่นธนูเล่นหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตาเล่นหมากเก็บเล่นชิงน้ำเล่นหมากไว้เล่นโยนบวงเล่นไม้หึงเล่นฟาดให้เห็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถน้อยเล่นหกขมีเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยเล่นธนูน้อยเล่นเขียนทายกัน เล่นทางใจเล่นเรียนคนขอฐานบ้างนี้เรียกว่าเล่นทางกายเนี่ยนะส่วนเล่นทางวาจาก็คือเล่นตีกลองปากเล่นพินปากเล่นรวกลองปากเล่นผิวปากเล่นเดาะปากเล่นเป่าปากเล่นซ้อมเพลงเล่นโ吼ร้องเล่นร้องเพลงเล่นหัวเราะนี้ชื่อว่าเล่นทางวาจาก็คือพวกร้องรําทางเพลงทั้งหลายนี่แหละเนี่ยนะ คำว่าชื่อว่าเมถุนเนี่ยนะทำของอาศัตรุษธรรมของชาวบ้านทำของคนเลวธทมของคนชั่วหยาบทำมีน้ําชําระเป็นที่สุดธรรมะมีในที่รับธรรมะเป็นความถึงพร้อมแห่งคนคู่คู่ถามว่าพระเฮไรยบัณฑิตจึงกล่าวว่าเมถุนธรรมธรรมะของคนคู่ผู้กําหนัดความกําหนัดนักด้วยราคะมีราคากําเริบขึ้นมีจิตอันราคะครอบงํา เป็นเช่นเดียวกันทั้งสองคนคือคนทั้งสองคนเนี่ยเป็นมีราคาย้อมเหมือนกันเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าเมถุนธรรมอุปมาเหมือนว่าคนสองคนทำการทะเลาะกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนทำความหมายกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนทำความอื้อเฉากันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนวิวาดกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนก่อที่กรกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนพูดกันก็เรียกว่าคนคู่ คนสองคนปราศัยกันก็เรียกว่าคนคู่ฉันใดธรรมะของคนคู่ผู้กำหนัดกำหนัดนักผู้ชุ่มด้วยราคะมีราคากำเริบมีจิตอันราค่าครอบงำเป็นคนเช่นเดียวกันทั้งสองคนนี้เรียกว่าเมถุนธรรมส่วนการประดับประดับก็มีสองอย่างนะการประดับของครหัดกับการประดับของบรนประชิตการประดับของครือขัดก็คือการแต่งผมแต่งหนวดการทัดดอกไม้การประพรมของหอมการย้อมผิวการ แต่งเครื่องประดับการแต่งเครื่องแต่งตัวการนุ่งห่มผ้าสวยงามการประดับข้อมือการโพกผ้าการอบตัวการนวดตัวการอาบน้ำการดัดตัวการส่องกระจกการแต้มตากระจกถ้าเป็นเบาะที่ผู้หญิงนั่งนะกระจกนี้จะต้องเอาลงซะส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าถ้าเราขึ้นรถคันไหนไปนะผู้หญิงนั่งก่อนเราเนี่ยเขาจะเอากระจกลงนนะเราจะกระจกสองหน้านะข้างบนนั่นะ ทางบนตรงหัว น, นนะันพวกกระจกสองหน้าเต้มตาสวมพวงมาลัยทาปากเจมิมหน้าผูกข้อมือเกล้าผมการใช้ไม้เท้าการใช้ธนานการใช้ดาบใช้ร่มอันนี้ก็เครื่องประดับของพวกผู้ชายนะบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เนี่ยใช้ธนานใช้ดาบใช้ร่มอะ่ะบางคนก็สวมรองเท้าที่งามอันนี้ก็ทั้งหญิงทั้งชายนี่แหละสวมเขียงเท้าสวมกรอบหน้าการตักปิ่นการใช้ผ้าการนุ่งห่มผ้าขาว การนุ่งห่มผ้าชายยาวนี้ชื่อว่าการประดับของครหัตก็อย่างที่เราเห็นเห็นนี่แหละเครื่องประดับครหัตแล้วนะส่วนเครื่องประดับของบันประชิตก็คือการตกแต่งจีวรการตกแต่งบาดการตกแต่งประการประดับการเล่นสนุกการประดับการเพลินในการประดับการปรารถนาในการประดับความชอบใจในการประดับกิริยาที่ประดับความเป็นแห่งการประดับซึ่งกายอันเปื่อยเน่านี้ หรือการประดับบริการทั้งหลายเป็นภายนอกชื่อว่าการประดับนั่นนะบันประชิตบอกตรงๆเลยนะแต่งทําไมกายเปลือยเน่านั่นแหละเหมือนกันนะบางคนก็แต่งยิงๆแต่งบาดเนี่ยแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกแต่งบาดเขาแต่งอะไรก็แต่งสายสลกสายสลกบาดบ้างแต่งขาบาดบ้างบาดก็อบแล้วอบอีกรมควันแล้วร่มอีกอยู่นั่นแหละแต่งจีวรก็ยแต่งนะด้วยแต่งด้วยการย้อมเป็นต้นน่นนะ คำว่าเพืงละเว้นความเกียจคร้านความลวงความหัวเราะการเล่นเมถุนธรรมอันเป็นไปด้วยกับเครื่องประดับความว่าเพืงละเว้นบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเกียจคร้านความลวงความหัวเราะการเล่นเมถุนธรรมอันเป็นไปกับด้วยการประดับคือทั้งบริวารทั้งบริพันธ์ทั้งบริขารฉะนั้นจึงชื่อว่าเพืงละเว้นความเกียจคร้านความหัวเราะการเล่น เมถธนธรรมอันเป็นไปกับด้วยความประดับสรนะสรุปเป็นคาถาที่กล่าวไปว่าภิกษุกไม่พึงทําความหลับให้มากนะ น, นะก็อย่านอนมากอนะก็นอนมาละสีชั่วโมงก็พอก็มีความเพียรทางกายทางจิตส่องเสพความเป็นผู้ตื่นคืนนิวรนไม่กลุ่มรุมละเว้นความเกียดคร้านความลวงนะปกปิดความชั่วการหัวเราะ น, น, นะนะอย่าไปหัวเราะเล่นแบบเด็กว่างั้นอย่าไปเล่นเล่นแบบ เล่นทางกายเล่นทางวาจาหรือว่าการประดับประดับอะรประดับของเครื่องประดับของเครื่อหัตบรรพชิตเนี่ยนะและเมุนธรรมเป็นต้นภิกษุผู้นับถือนะผู้นับถือไม่พึงทำการประกอบอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะการดูเรื่งไม่พึงส่องเสพการทายเสียงสัตว์ ร, ร้องการปรุงยาให้ตั้งคันและการรักษาโรคเนี่ยบอกตร ง, ตรง อันนี้เป็นลักษณะของอาชีวะปาริสุทิสินเนี่ยนะว่าพิสูุผู้นับถือไม่พึงทำการประกอบอาถรรพ์ทำนายฝันการทะเลาะและการดูเริ่งความว่าพวกคนที่มีมนทำอาถรรพ์ย่อมประกอบการทำอาถรรพ์เหมือนนครถูกล้อมเมื่อสงครามตั้งประชิดกันทำให้เสนียดจันไรเกิดขึ้นทำให้อุปัตถวะเกิดขึ้นให้โรคเกิดขึ้น ให้โรคจุกเสียดเกิดขึ้นให้โรคลงรากเกิดขึ้นให้โรคไข้เสื่อมเกิดขึ้นให้โรคบิดเกิดขึ้นในพวกข้าศึกที่เป็นศัตรูกันเพราะนนัน้พวกชนที่มีมนอาถรย์ย่อมประกอบอาถรย์อย่างนี้ะสงครามสมัยโบราณนะนะก็มีการเล่นมนกลคาถาต่างๆเนี่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนนะ <c oughs> ส่วนชนที่ทํานายฝันย่อมทํานายฝันว่า คนฝันเวลาเช้จเา a a จะมีผลอย่างนี้คนฝันเวลาเที่ยงจะมีผลอย่างนี้ฝันเวลาเย็นจะมีผลอย่างนี้ฝันยามต้นจะมีผลอย่างนี้นะช่วงก่อนสี่ทุ่มเนี่ยฝันยามกลางจะมีผลอย่างนี้ฝันยามหลังจะมีผลอย่างนี้นอนตะแคงข้างขวาฝันจะมีผลอย่างนี้นอนตะแคงข้างซ้ายฝันจะมีผลอย่างนี้นอนหงายฝันอย่างนี้นอนคว่ำฝันมีผลอย่างนี้ฝันเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยนะแต่ละอย่างจะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นมหาสมุทรฝันเห็นเขาสิีรุ้ จะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นช่างมีผลอย่างนี้ฝันเห็นมะรถเนี่ยนะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นผลเดินเท้าจะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นหมู่เสนาจะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมมีผลอย่างนี้ฝันเห็นป่าที่น่ารื่นรมมีผลอย่างนี้ฝันเห็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมมีผลอย่างนี้ฝันเห็นสระที่น่ารื่นรมมีผลอย่างนี้เรียกว่าชนที่ทํานายฝันก็จะทํานายกันทายทักกันไปตามนี้นะ สมัยนี้เขามีตําราทํานายฝันเนี่ยนะบางคนมีตําราทํานายฝันไว้บนหัวนอนเลยอะพอเขาตื่นขึ้นมาก็ดูตําราทํานายฝันนะ่ะเนี่ยนะพวกเล่นหวยมากๆ ก, ก็จะชอบตําราทํานายฝันไม่กันนะงวดนี้จะถูกหรือเปล่าน้อเนี่ยนะเพันพวกชนที่ทํานายลักษณะนะพวกทํานายลักษณะก็คือลักษณะแก้วไม้เท้าผ้าดาบลักษณะลูกศรธ น, นูอาวุธททยลักษณะสตรีกุมารีกุมารทาสีธาตุลักษณะช่างมา กระบือโคแพะแกะไก่ลักษณะนกคุม้มเหี้ยช่อฟ้าเต่ามรึกเนี่ยนะเรียกพวกทำนายลักษณะก็ทำนายมือทำนายเท้าทำนายตามตัวทำนายกิริยาท่าทางรืพยากรณ์ไปพวกเนีนะแต่วพวกตำรา ด, ดูประมานี้เรียกอะไรงเงาแหงนนะนะพวกตำราฝ่ามือฝ่าเท้านะดูลักษณะนี่แหละ